สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวัน 2489 แล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าได้เกิดโรคสั่งตายขึ้นมาทางชายแดนด้านนั้นชายแดน ซึ่งท่านก็ได้ใช้ความไม่เชื่อของท่านเข้าต่อสู้กับความเชื่อถึงตายนั้นอย่างน่าใจหายที ตัวคนไข้เองเนี่ยจะตายในวันพรุ่งนี้ส่วนคนที่มาเยี่ยมนี่จะ ก็ได้บอกกับคนที่ไม่เยี่ยมไว้ในธรรมนองเดียวกันซึ่งก็ตายตามกันไปด้วยจริงๆ โรคซ่างตายก็ทำให้ชาวบ้านหวาดaciones ภาวาไปตามๆกันไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมใครต่างทิ้งบ้านทิ้งช่องหลบหนีเข้าปากันหมดเพราะว่ากลัวคนที่รับคำสังมาแล้วมาสั่งต่อไม่มีใครกล้าเข้าไปพบใคร เล่ากันว่ารστε โ แล้วก็เชื่อว่าผีประเภทนี้กลัวขมิ้นชาวบ้านก็ แล้วก็พระมองจาลัยเนี่ยเป็นแล 80 กว่าแล้วชื่อนายยังเวนอนป่วยไปไหนไม่ พอนายยังเวเห็นหน้าพระมงคลชัยก็เลยได้โอกาสก็บอกว่าตัวนายยังเวเองๆก็ทํา ตอนนั้นหลวงพ่ออุตตมะกําลังสร้างวัดอยู่ที่ตําบลสนีพ่องความในจดหมาย บ้านเจืองจัตเตะแล้วก็ที่วู่สองกำนันเลกำนัน 4 หมู่บ้านนี้เข้าตำบลสนีพ่องอย่าง ห้ามมาด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อยังดื้อจะไปอ่าขากลับเดี๋ยวจะแวะแถววังกาแล้ว เพราะว่ากลัวท่านๆอ่าท่านจะสั่ง ก็เห็นพระแก่นอนอาพาธอยู่องค์เดียวไม่มีใครดูแลๆพระมองกัวเลย ศพถูกทิ้งไว้ไม่มีใครจัดการหลวง 2 วันรวม 4 วันหลังพระมงคลชัย 5 ศอกทําด้วย หลวงพ่อก็เลยขุดต่อเอามาทําโรงใส่พระมงคลชัยก่อเสือห่อแล้วก็ปิดทับ พอเห็นหลวงพ่อก็คิดว่ารับโรคสั่งตายจากพระ บอกกำนันกำชับไว้ว่าแม้แต่หลวงพ่ออุตมะก็กลับเข้าไม่ได้หลวงพ่อก็เลยบอกทํามึงไม่ให้กูเข้ากูจะสั่งให้มึงตาย 3 นี่นั่งอาศิสได้ยืนอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งพอดีกำนันเลมาหลวงพ่อก็บอกไอ้ไอ้ไอ้กำนันมึงอยากตายหรือเปล่ากำนันกลัว จนถึงกลางเดือน 4 ก็กลับอีก 2 รูปก็ลำเลียงศพพระมงคลชัยล่องแพ อ่าเป็นพระราชอุดมมงคลปหณนราธรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสี 2453 ครับ อ่าจังหวัดมะละแมงประเทศพม่าพ่อก็เจ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเจ้าเอเจ้าบีอะไรอ่ะไอ้แถว แปลว่าผู้มีความภาคเพียรอันสูงสุดหลังจากที่สอบได้นักธรรมเอก ก็มีอยู่เรื่องนึงที่เกือบจะ หลวงพ่อก็เกิดความเบื่อหน่ายในการรบไว้ว่าจะทุรดงไป โจรกระร่างนี้ก็ปืนจี้ท่านได้ยกมือขึ้นกระชากบาท เอาเถาวัลย์มัดมือท่านไคว่หลังคุมตัวไปหลวงพ่อบอก ตั้งแต่กำชับให้ยิงตอนดึกหน่อยราว 3:00 น. ก็ทําให้หลวงพ่อปิงเข้าไปลําบากเพราะว่ามืออ่าเรียบร้อยแล้วร่างที่เอออนิจจัง แล้วก็ลงมือสวดคาถาชุมนุมเทวดาพวกโจรก็ถอดลูกขั้นบันไดออก เมื่อเริ่มสวดนั้นเถรวันสวด 12 ตํานานสวดธรรมนิยามอ่าๆนี่เถรวันหลุดเลยเวลานั้น จน 3:00 น. ก็ไม่ได้ๆนอกจากเสียงน้ําตกตอนที่เถาวัลย์หลุด โผเข้ามากอดแล้วก็กราบท่านแล้วก็บอกว่า โดยท่านเป็นผู้คำนวณแล้วก็ออกแบบก่อสร้างวันนึงตอนคลบค่ํา 2-3 กิโลเมตรหรือไม่ไม่ก็เอาไปทิ้งไว้ในป่า ต่อมาเมื่ออายุ 13 ปักขินก็บวชเนนแล้ว แต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกว่ารับปากเข้าไปแล้วว่าจะอยู่บนนี้ถ้าจะให้อ่าให้ดี กว่าเที่ยงคืนถึงได้ไปตามกลดมาได้เพราะกลดของท่านเป็นกลดชั้นดีมีมุ้งพวกโจรมันยึดโอกาสอ่าถือโอกาสยึดเอา ส่วนอาหารอื่นที่ปล้นมานี่ท่านปฏิเสธจากเม 2 เม็ดบอกว่าถ้าปฏิบัติ 300 คนส่วน ภารตะหรือว่าปลาส้อยอ่ะชื่อก็มันอ่ามีชื่อเรียกตามชื่อปลาเจ้าภารตะนี่ก็มีลูก ข้ามภูเขาที่ชื่อกะลาเอ้ยแปลว่าแขกนอนกับภูเขาตะลกยางซึ่งแปล อ่าที่คนไทยเค้าเรียกบ้านอิตองแปลว่าหมู่บ้านเทวดาอยู่ใน ก็เลยคุยกันรู้เรื่องแล้วก็นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่บ้านพวกโจรทั้ง 10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 จากนั้นเค้าก็เลิกเป็นโจรเพราะว่ารับศีล 5 จากหลวง ชาวบ้านต่างก็พอใจที่มี 5,000 บาทพร้อมกับบอกท่านว่าที่ผมชนะใจครับนั่น